เราช่วยคนป่วยคนเจ็บหัวใจของเราอยู่ที่คนป่วยคนเจ็บคนแก่คนหนุ่มคนสาวไม่น่าไปห่วงหร อ, อกพูดเล่นๆเฉยๆแต่ว่าจริงแล้วก็ได้ฟัง ทำจากขบุทธเจ้าเอาขึ้นเขียงเลยก็ว่าทา้สองอย่างการมุสขันติการโยกปัตตะจิมัฐานโยกเอาขึ้นเขียงเดินทางพูดดังนี้สามร้อยก่อหมอ จากคุทค่ยามาพลาณสีร้อนในวิชานี้มากสมัยพรงค์ได้ตัดสู่เปางหมแสอนใครจะสอนคใครจะเป็นผู้ฟังเรื่องนี้พิจิ็นปัญจวัคคีซึ่งเคยสมบุกสมบูรณ์ได้จากศึกษาเรื่องนี้ ก็ลิงไปเพิ่งไ ป, งไปมองไปเดินทางด้วยเท่าเรามาเรียกมาถามไม่ต้องอะไรเล ย, ล ย, ลยเอาขึ้นเลยเรียกมาแล้วโชว์ขึ้นจับขึ้นเคียงเรื่องนี้ แล้วก็โชว์หลักปฏิบัติในหลัก่มักโยงแปดมีเครื่องมือให้ด้วยเพื่อทำเรื่องนี้เมื่อชมทักหนูงแปดเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการเดิน การทำเรื่องนี้ให้แก่แจ้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดจักษุเกิดย้อนเกิดปัญญาขึ้นมาโชว์ถึงปลอกไอศชีสเอาไปเลยเอาให้เกี้ยงเลยทีเดียวดีกไม่ได้ผู้ที่มีเรื่องนี้ปฏิเศษไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนความถูกต้อง ไปตามสายเสมือนหมอตรวจโรคพบเคื่อโรคในร่างกายทาตัดเอาออกได้ตามความถูกต้องแล้วก็ออกได้หายป่วยหายเจ็บได้แต่ก่อนนราไม่เคยได้ยินทรมาจากนี่สมัยเราปฏิบัติใหม่ใหม่ สี่สบห้าสิบปีก่อนไม่เคยได้สวดอย่างนี้ไม่เคยได้ยินอย่างนี้อาศัยกรรมฐานเบิ่นจงตรงไม่สติดูกายดูจิตดูกายเคลื่อนไหวตามวิชากรรมฐานไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ ไม่ไดอา่านไม่ไดาธยายสวดเหมือนพวกเราเจรินจงคมอยู่ใต้ต้นขาขี้หมูในรู้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็นกระแสรรให้ทําให้เห็นทิศเถียงทางเึงนั่งอยู่บนกติได้สำกับประธานยกมือเคลื่อนไหวไ ป, ไปมามีสติ อาศัยกายอาศัยจิตเป็นที่เกิดที่ตั้งแห่งความรู้จึกตัวเราใช้ความรู้จึกตัวให้เกิดควงมรู้ที่หยิบเข้าไปเกิดไหลขึ้นจนี่นต่อทำให้เรา เ, เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับแต่ก่อนมืด บอมันมืดเปิดแสงสว่างขึ้นในความมืดเหมือนกับคนส่องแสงสว่างให้สติเป็นอย่างนั้นกอใดที่มีอะไรเกิดขึ้นที่กายโดยพวกความคิดเหมือนกับความมืดมีสติเหมือนกับส่องแสงสว่างให้กับความคิดที่มันมืด บุกบือดุนดมไปในอาต่างๆที่เคยกินที่เคยคิดมาคนมีลูกคิดถึงลูกคนมีเมวคิดถึงเมเกิดหลทิศหลงทางสติขึ้นมาเห็นแสงสว่างระหว่างความเมื่อกับแสงสว่างเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเห็นที่เห็นทง เราติดตามเรื่องนี้สองสมครั้งเกิดความเท็จความจริงความถูกต้องความไม่ถูกต้องที่กาที่ใจเกิดขึ้นมาเป็นคู่กันตั้งแต่วันนั้นเราไร้ใช่าการกระทำวันนั้นผลจากวันนั้นไร้ใช่ถึงวันนี้ ในความไม่ถูกต้องกับป่ากับใจได้เกิดความถูกต้องขึ้นกับป่ากับใจมันก็แล้วไปแล้วมันก็แล้วไปแล้วอย่า <c oughs> งไหนไม่ถูกต้องไอ้ทำแล้วให้ถูกต้องแล้วจึงไหนถูกต้องไม่ได้ต้องทำอีกมันแล้วไปแล้วไม่เชื่อมไม่หายไปไหน เนไม่เหมือนกับสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างแล้วก็ยังเสื่อมยังโทมส่วนสร้างความถูกต้องที่เกิดกับกายกับใจนี่ไม่เสื่อมไม่โทมเป็นสมบัติของชีวิตเราตอนนี้เาใช้ความหนุ่มสร้างขึ้นมาถ้าจะแ ก, แกจะสร้างได้หรือเปล่าก็มาดู ตอนแบบนี้เราก็เจอก็ยังคิดยังซมบัดดูยังเห็นว่ามั่นใจว่าทําได้ทําได้ไม่เอาความแก่ความหนุ่มเป็นเรื่องต่อรองมันอยู่กับมมกต่อมก็ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องเปการบำเพ็ญทั้งจิตโดยตรงความการบําเพ็ญทั้งจิตนี่ ไม่ได้ความแฉะความหนุ่มไม่ได้เป็นเพศเป็นวัยความคิ ด, ค ว, ด, ค, วดความหลงเกิดจากความคิดความคิดเกิดจากความหลงไม่ไม่ไมเกี่ยวกับหนุ่มกับแฉะไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยเป็นของธรรมชาติธรรมดาที่ผมเกิดขึ้นได้จึงมีหลักปฏิบัติ โดยเฉพาะกรรมฐานนี่ควบคุมมากที่สุดก็พูดถึงหลักปฏิบัติมันก็ครบอยู่ในมรรคเหมืองแปดมรรคเหมืองกปด ก, ก็ลงมาอยู่ที่สินสมาธิปัญญาสีนสมาธิปัญญามันก็คือหลักกาที่ัิสิทธิสติดูกายเคลื่อ น, นไหวดูใจคิดนึก มันเดึนเข้ามันเข้าเป็นการเข้าวงไงไปเลยเล่นวงแดงไปเลยรู้เวลามันหลงรลู้ระห ว, าวา่างความหลงเป็นความรู้นี่เป็นศีลเนี่ยเป็นศีลแล้วนะเห็นไหลที่มันไม่ถูกต้องเป็นความถูกต้องศีลเกิดอย่างนี้สมาธิเกิดอย่างนี้ปัญญาเกิดอย่างนี้ไม่ต้องไปเรียน ศีลไปเรียนสมาธิไ่ท่องไปท่องจำทำให้มีทำให้เกิดขึ้นมาทำให้มีได้ทำให้เป็นได้อาศัยกายอาศัยใจทำให้มีภาวะที่รู้นี่ได้แล้วทำได้แล้วทำได้แล้วทำเป็นแล้วเหมือนกายใจนี่เป็นที่เกิดของศีลของสมาธิปัญญาได้แล้วทำให้เป็นไปได้แล้วถูกต้องแล้ว แต่ก่อนทําไม่เป็นแน่แต่เหตุปัจจัยจะพาไปมันหลงก็พาให้หลงมันทุกข์ก็พาให้ทุกข์มันฉุกก็พาให้ฉุกมันเกิดอะไขึ้นก็เป็นไปตามมันแบบ น, นี้มันไม่เป็นไปอย่างนั้นติดขาดไปติดขาดไปโดยเฉพาะวิชากรรมฐานนี่เป็นวิชาที่ตรง ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องมีคําถามตรงกันข้ามระหว่างความหลงกับความไม่หลงความไม่ความหลงกับความรู้จึกตัวตรงกันอย่างนี้ความรู้สึกตัวคือความไม่หลงระหว่างความทุกข์ตรงกับความไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์กับความรู้จึกตัวนี่คือความไม่ทุกข์มันตรงกันอย่างนี้ความตรงอย่างนี้อธิบายไม่ได้ ผู้ที่ฝึกหัดพูดสัมผัสจะรู้เองถ้าไม่ฝึกหัดไม่ได้สัมผัสจะไม่รู้อธิบายอธิบายทำไมคนที่ฟังทำไม่เป็นถ้าไม่หัดเหมือนกันเราชิมรสอาหารถ้ารู้อยากใครอยากรู้รองเผ็ดก็จัดกินพริกลองดูให้สัมผัสเอา เราอยากรู้เรื่องเค็มก็สัองผัดเอาจะได้คำตอบความหิวความอิ่มอธิบายไม่ได้ความหิวเป็นอย่างไรคนที่หิวจะไปอธิบายคนที่ไม่หิวไม่รู้จักแต่คนที่หิวเขาจะรู้จักเอง คนที่อิ่มเมื่อเขาได้กินอาหารเขาจะรูปจากเองเออควมหนียวเป็นอย่างนั้นบบบนี้มันอิม่มมันเป็นอย่างนี้ น, นั่นเป็นสมมติเห็ญหยัดเป็นการวัตถุอาการที่มันเกิดขึ้นจากกาจากรูปจากนามแต่ว่าประาัาทสัจความตึงจริง มันก็เป็นเช่นนั้นในความหลงเราเปความไม่หลงทำเป็นแล้วทำไม่มีได้แล้วในความทุกข์ในความไปทุกข์ทไม่มีได้แล้วทำไม่เป็นแล้วเมื่อทำไม่เป็นแล้วมันก็ไม่มีให้เกิดให้เป็นอีกต่อไปมันถูกต้งก็ถูกต้องเรื่อยไป dies. ความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นไวลาในความถูกต้อง อันกายใจเรานี่เป็นอย่างนั้นเมื่อทำเจิบมันก็เจิดไปเลยเหมือนพระพุทธเจ้าตอดว่าเป็นชาติสุดท้ายเป็นภพสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายไม่มีภพใมาอีกจนความหลงไม่มีอันใดที่มาเกิดให้เกิดความหลงอีกที่ว่าความหลง ความทุกข์คิดว่าความทุกข์ไม่มีอะไรที่เกิดให้เกิดความทุกข์อีกคิดว่าความทุกข์ไม่มีที่เกิดอีกไม่มีที่อาศัยเกิดทุกข์ไม่มีที่อาศัยเกิดความหลงไม่มีที่อาศัยเกิดความสุขทำให้ไม่มีทำให้ไม่มีที่อาศัยไม่ตอนลับบอกคืนไม่ให้ค่าจึงไม่มีที่ที่ให้เกิด ความถูกต้องกับไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมาได้ภาษาจิตวิญญาณไม่ใช่ภาษาวัตถุจิงของจึงเหล่านี้จึงมีวิธีปฏิบัติวิชากรรมฐานเปนวิชาที่ตรงตรงสัมผัสได้ทันที ในกายมีจิตอาศัยกายอาศัยจิตใจนี่เป็นที่เกิดแห่งความรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวก็ต้องประกอบมันไม่จริงจริงไปชคิดเอาเหตุเอาผลมาอธิบายงั้นพระพุทเจ้า ร, รู้สนรู้แขนเข้าเหยียบแขนดอกนั้นรู้สึกตัว ทำไม่คู่แขนเข้ามาเหยียดแขนออกแลยวสมบัติกับความรู้สึกตัวจริงๆไม่ก็อธิบาดไม่ได้ผู้ที่คู่แขนเข้ารู้สึกตัวขณะที่คู่แขนเข้ารู้สึกตัวขณะที่คู่แขนออกแล้วสมบัติอย่างนี้มันเป็นการรู้สึกตัวที่การมีสติไปในกายเรียกว่ามีสติไปในกาย ถ้าไมทำมันก็จะ ม, มีสติสติมันจะเกิดก็เพราะการประกอบขึ้นมาม่ใช่นั่งเฉยคิดเอาเอาเหตุเอาผลอ น, นั่นเกิดขึ้นมาได้เป็นจินตยานใครก็รู้คิดเอาใครก็รู้ใครก็ตอบได้แต่ว่าทำไม่เป็นมีเหมือนกัน มันก็หลักสูตรมีหลักสูตรกาหลักสูตรทาตกรรมภอษารลายต่างๆก็มีภาษาบอกภาษาพูดภาษาอีสานเขาพูดว่าภาสารกระดงฝัดเข้าก็เรียกว่ากะ อ, อีกา ขวามหาย่อสองขวามสามทุกที่บนย่อสองหาย่อสี่บนย่อสีหาย่อสองขวามสามทุกที่ภาษาสารดงผัดเข้าจะเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนได้แต่ถ้าจะสารจริงๆไปจับจริงๆยกยังไงข้ามอย่างไรมือต้องไปสัมผัสกับเส้นตก ให้มือมันทําถ้ามันเคยชินถ้ายกตอกไม่เป็นตอกก็หักไม่เป็นกระด้งอย่งแต่คำพูดไม่เป็นกัะด้งต้องมือไปทำํำระวางมือจับตอกระวังข้ามระวางยกรัะดับยังไงยกยังไงตรงไหนแต่ยกขัดกัน มันก็เป็นลายขัดตรงที่สองยกสี่ยกตรงไหนสี่อย่างไรถ้ายกไม่ถูกตกก็ไม่เข้ากันจัดไม่เข้ามันขัดกันยกสี่ยกสองข้ามสามเกันแต่ว่ามันขัดมันไม่เข้าต้องมีลวดลายของมันถ้าถูกรวดลายก็ยกจัดเข้าดีขังงามได้ สารคู่ถังก็ขังน้ําได้สาหลายเก่าวอันนี้เป็นมาษาอัตกรรมอาษาดนตรีก็เรียกว่านดูดนูดใครก็ว่าได้แล้ร้องเพลงก็ร้องได้ร้องได้ร้องเพลงอาจดังสืก็มาร้องแต่ถ้าเอาดนเล่ดนดนตรีให้มือเป็นเสียงเพลงที่เป็นนูดที่ร้องเพลงนั่นทําเป็นไม้ให้เป็นเสียง ดนตรีไปกับเสียงเพลงจึงจะเข้ากันได้งั้นจึงเป็นดนตรีละล้องโดยภาษาธรรมดาจะไม่ไพเลาะอันนี้เรียกว่าหัดถ้าไม่หัดทำไม่เป็นหัดคำณฐานนี่ก็ต้องหัดนี่กายเป็นเครื่องมือให้หัดมีจิตใจเป็นเครื่องมือให้หัดอย่ า, อาไปหัดอย่างอื่น อ่าให้การมัเป็นไปเองอย่าให้ใจมันเป็นไปเองตาการเป็นไปเองมันก็ไปดมลดขงโลกโลกมีรสชาติใจก็มีรสชาติเผลนไปในกวามเผลนไปในความใครมันง่ายมันไหลตดำมันไหลง่ายหมือนน้ําหลงจากกูเขาเหลืนสู่ที่ต่ํา ตาปล่อยเป็นไปเองมันก็ไปแบบนั้นตามันมีหูมันมีจมูกเลี้นงกายใจมันมีมีรูปมีรถมีกลิ่นมีเฉียงเป็นคู่รถที่มันเกิดจากตาจากหูจากจมูกเลี้นกายใจมีคู่ถ้าไม่มีชะติตรงนี้ก็เป็นด่านแห่งเกิดแห่งความหลงเป็นด่านที่เกิดความหลงได้ เราเคยเป็นสุขวปนทุก์ก็สมหัดวันนี้เรามาหัดให้มีสติเป็นกายใน้ใจเวลามันคิดอะไรลู่มันจะเห็นอะไรก็ลู่มันได้ยินอะไรก็ลู่มันได้กลิ่นอะไรก็ลู่มันได้รสอะไรก็ลู่อย่าให้รสเป็นรสเป็นรสเข็ม ไอ้รสเผ็ดรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวเป็นรสรู้ไอ้รูจึกตัวเห็นเค็มจึงรู้ไอเค็มเข็มก็คือเค็มคือมันเห็นอันรสค่ะรำเน่ยมันคือรสเดียวไม่มีคําว่าเผ็ดว่าเค็มคือรสเดียวความเผ็ดก็คือรสความเค็มคือรสควงหวานคือรส สุขคือลดทุกคือลดดีใจเสียใจคือลดลดของโลกก็มีมากมายหาป้อนไปไหวแต่ลดประธรรมมีลดเดียวคือรู้จักตัวรู้จักตัวมันเป็นลดที่จะน่าลดทั้งปวงได้เวลามันหลงเห็นรู้จักตัวเวลามันหิวรู้จักตัวเวลามันอิน่มรู้จักตัว เราบรรจด้วยจุตัวเวลามันทุกด้วยจตัวตักกวามรจกความทุกข์เป็นรถของโลกความู้จักตัวเป็นรถของธรรมปีมรถพระธรรมเรียกว่ามันก็ักนเกิดเจ็บเจ็บตายได้ไม่มีความจก่ความเจ็บความตายหวรดพระธรรมเนี่ย อนุรถของโลกกินข้าวทุกวันจะยังเจอยังเก็บรังตายตนั้นเราจะใช้กายใช้ใจอย่างไรล้วก็มีกำลังที่จะพัฒนากายใจของเราได้ให้มันได้คุณประโยชน์ให้ได้ความถูกต้อง ถ้าหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็พระหัตลายปล่อยให้ความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นดี่กาที่ใจมากเปนที่เกิดความไม่ถูกต้องให้ความเป็นถูกต้องเกิดขึ้นที่กาที่ใจอยู่เสมอไม่ได้สอนก่าวสอนใจให้เกิดความถูกต้องก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่ชิ้น หลงแลว้วหลงอีกโกรธแลว้วโกรธอีกทุกแลว้วทุกอีกลักแลว้วลักอีกเกลียแลว้วเกลียดอีกที่ใจเฉื่อยเฉอยู่เช่นนั้นเวียนว่ายตาเกิดเราเพืนห่างมันจะจบเป็นความหลงปข้างสุดท้ายความทุกข์ข้างสุดท้ายความโกรธข้างสุดท้ายเมื่อไม่มีความ เมื่อมีความหลงข้าสุทธาแล้วมันก็ไม่มีพบไม่ชาติที่ให้เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรไม่เกิดกับรูปกับนามมันคือภาวะที่รู้ที่เห็นดามความเป็นจริงถ้าไม่รู้เหยือไหวใจเกิดเหยืย่อไหวใจเกิดใน พบในชาติต่างๆนอกจากความเจลความเจ็บความตายในความทุกข์ก็มีความแจอความเจ็บความตายในความรักก็มีความแกลความเจ็บความตายในความสุขก็มีความแกลความเจ็บความตายมันหายไปใครสุขเท่าไหร่มีไหมเคยทุกข์เท่าไหร่มันมีไหมเราก็ยังเหมือนสุขเป็นทุกข์อยู่ทั้งๆที enrolled, <aumento> ่ไม่มีความสุขความทุกข์มันไม่มี เป็นอาการที่เกิดสมมติเหันหยาดขึ้นที่จริงมันไม่เป็นอะไรความถูกต้องคือไม่เป็นอะไรมาหลับใช้ความสุขมาหลับใช้ความทุกข์เป็นปกติสมวรชีวิตเป็นปกติบ้านของจิตบานของชีวิตคือปกติความเปลี่ยความเปี่ยบความตายไม่ใช่ไม่ใช่ใ ช, ชีวิต แต่นั่นมันเป็นรูปเป็นนามรูปประธรมนามธรรมไม่มีความหมายความจฉลความเปรียบ ค, ความตายไม่มีความหมายชีวิต ท, ที่มีความหมายไหมไม่เป็นอะไรมันหลุดพ้นจากความแจลียวความเปรียบความตายถ้าเราไม่เปิดกัน แต่เป็นทุกข์เรื่องนี้ในความเจ็บก็เป็นทุกข์ในความเจ๋อก็เป็นทุกข์ในความตายก็เป็นทุกข์ตอนทั้งทีมันเป็นของเัินอยู่แล้วก็ยังเป็นทุกข์เอามาเป็นตัวเป็นตนเราทุกข์คือเราทุกข์ความทุกขคือเราความเจ็บคือเราความตายคือเราเราก็อยู่ในความเจ๋อความเจ็บความตาย ยังเต๋ความคิดก็ชอบไปอยู่ในความคิดตั้งที่ความคิดเกิดขึ้นลอยๆเราก็เข้าไปอยู่ในความคิดตนตัวเป็นตน อ, อ, อยู่ในความคิ ด, คคดง่ายนิดเดียวความคิดถ้าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่สอนกิดวิญญาณจริงต้องสอนตรงนี้แหละ อย่าเข้าไปอยู่ในความคิดเหมัอนคิดอย่าเข้าไปอยู่ในความคิดให้มีความรู้จึกตัวในความคิดเหมือนเป็นใหญ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณได้ถ้าไม่สอนตรงนี้ คอเอาวิธีออื่นทึงขืมท่งคัดหรือบังคับจิตจนจิตเสื่อมไม่ได้ประโยชน์จากจิตเหมือนไม่คิดเกิดสมรรถสงบ <c oughs> ไม่เหมือนก่อนหลังคับเป็นไปก็สงบเมื่อันสงบมันก็ไม่เห็นอะไร เวลาความสงบเกิดขึ้นปิดทุกสิ่งทุกอย่างบางทีหาตัวเองก็ไม่เจอได้เอามือค้ำหาไปค้ำหัวค้ำหาขาหาเำียนถ้ามันสงบจริงๆบางทีเมื่อมันสงบก็เกิดลอยขึ้นมาเกิดสีเกิดเสียงเกิด น, น, น, นิมิตต่างๆไปทางโน้น ไม่ได้ฝึกตนสอนตนถ้าหัดจากนั่นก็มีแต่นั่นเป็นสมะถะกรรมฐ า, านเชียวเวลาแบบนี้เราหัดใ้ลู้มันสงบก็ลู่มานจะได้เข้าไปอยู่ในความสงบมันฟุ้งซ่านก็ลูไม่เข้าไปอยู่ในความฟุ้งซ่าน การสอนให้สงบสอนง่ายึกง่ายการสนในลูกเนียฝึกยากสักหน่อยแต่มันถูกต้องมันจบเป็นการสนให้สงบบริกรรมเข้าไปดับตาเข้าไปเพ่งเข้าไป ไม่มีอกาสที่จะกระดูกกระดีกได้บางทีเกิดตัวเฉิงเคยทํามาแล้วแบบนั้นบางทีเกิดนิมิดเล่นดีมิตเกิดลดกดชาติด่นมิตติดนิมิดเกิดปิติเกิดความสุขในนิมิตสกิดความเท็จความจริงต่อไม่ติดหูติดตา ติดใจด้วยติดความสงบมันก็ติดไปทา ง, งานคิดถึงคิด ถ, ถึงแต่ห้องพอะระอหลายจะเข้าจะได้เข้าไปนั่งห้องพอ ร, กรกะรกททรททร็ติดเหมือนกันติดบริกรรมก็อะไรก็พุทโธพุทโธติดเหมือนกันเกี่ยวข้าขวกับพุทโธดมนาก็าพุทโธนวดข้าขวกับพุทโธ ปิดไปเลยแต่ว่าเวลามมนโกรธเวลามมนทุกข์ก็จะมีอยู่ไม่พุทโธก็ช่วยไม่ได้บริกรรมมาเป็น1ิบปียี่สิบปีพุทโธพุทโธนี่ยยังมีความโกรธความโลภความหลงมีจิเลสตัณหาหลาคา้ะแบบนี้มาฝึกตตัวนี้นะตรงๆกันเลยต่อหน้ากันเลย เกิดอะไรก็เกิดมาจะได้รู้ความรู้สึกตัวที่มันเป็นจริงตักท่วงตรวจสอบสิ่งที่มันเกิดกับกากกับใจนี่มันก็ถูกสั่งสอนทุกอย่างประสบการณ์ทุกอย่างแนที่ความรู้สึกตัวจะหมดไปมันไม่เป็นเช่นนั้น อะไรทเกิดขึ้นกับกายกับใจรู้จักตัวความรู้จักตัวงอกงามตรงที่ตรงกันข้ามในความหลงก็ให้เกิดความรู้จักตัวความหลงงามขึ้นตรงนี้ในความทุกข์ก็คือความรู้จักตัวความทุกข์ความรู้จักตัวงอกงามขึ้นตรงนี้จะเลื่อขึ้นที่นี่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามเหมือนกับปุ๋ยฉกปกทําให้พืชงอกงาม คมรู้จึกตัวงอกงามในความไม่รู้จักตัวถ้าใช่เป็นถ้าใช่ไม่เป็นในความไม่รู้จักตัวความรู้จึกตัวก็เชื่อมปเช่นกวามหลงเป็นความหลงหล <c oughs> งที่ใดก็หลงทุกทีความรู้จักตัวไม่มีเลยจะหัดไม่เป็นก็มไม่งอกไม่งาม มาใหม่ๆต้องอาศัยนิมิต เ, ล, เลื่อนไหวช่วยเขื่อนไหวมือเลื่อนไวหวให้เดินจงตรมช่วยเพื่อกระตุน้นให้เกิดความรู้จักตัวเรียกกลับมากลับมาอาศัยพลังงานเรื่องกระตุน้น ดึงกลับมาเหมือนกับเป็นเช่นนั้นหรือถ้าเดินอยู่ก็กลับมาลู้ที่นี่มันทุกข์ก็กลับมาลู้ที่นี่มันสุขกลับมาลู้ที่นี่มันหลงกลับมาลู้ที่นี่ที่ตั้งไว้อย่างนี้ถ้าหัดเป็นแล้วก็ไม่ต้องมีที่อาศัยในตัวมันเองในความหลงก็คมคไม่หลงเองในความทุกข์ก็มความไม่ทุกข์เอง มันตรงกับข้าวมันถูกต้องกับไมถูกต้องไม่เอาเศษอื่นมาประกอบในตัวมันเองนี่จิตดูกิตจิตก็ดูกิตเองกายก็ดูกายเองผมรู้สึกตัวเมื่อมันมีแล้วไม่ได้สรา้างมันบานเลือนมัน ความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้ในความไม่ถูกต้องเราจึงต้องคุกหัดเพื่อจะได้ใช้มีอะไรที่เราได้ใช้มาสี่ปีหปีที่ผ่านมาเราไดใช้ว่า น, นี่มีไหมจำเด็จได้ไหมหรือเหมือนเดิม หาเหมือนเดิมอยู่ก็ต้องทีก็ปล่อยถ้าเราทำเป็นแล้วมันได้ใช่จริงจริงจริงที่มันใช่ตรงตัวที่ดูคือความเก็บความตายใช้ได้อย่างงดงามไม่บอกผู้ที่ดูเดินไม่ต้องเป็นห่วง แล้วดูเ่อนี้มาได้ผูกพัดเรื่องนี้มาสี่สิบปีกว่าแล้วไม่ต้องเป็นห่วงมันไม่ใช่ถ้ามันถึงโอกาสที่เป็นเช่นนั้นมันก็ยังเป็นศาสต์เป็นศิลถ้าไม่เป็นเช่นดัดเพราไม่ใช่มีศาสต์มีศีล เมือนนักวีฬาเมื่อลงสนามก็มีฉากมีชิ้นแสดงออกโมอหมายแพทย์เมื่อมีโอกาสเัสนคนป่วยก็ได้มีฉากมีชิ้นแสดงออกหมายช่างนักกรรมนวกรรม สถาปฏิกรรมว่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีศาสตร์เป็นชิ้นฉออกบอกผิบอ ก, บอกถูกพุทธศาสตร์สนานี่ก็ใช้ตรงนั้นแหละที่มันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเกิดไปกับใจเ ป, ป็นชาสติเป็นชิน้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นชาสตร์เปนชิน้นไม่ความไม่ถูกต้องก็ไม่ีความถูกต้องทุกโอกาสอันเดียวกันหมด ใครก็เหมือนกันหมดเปนคนเื่นไม่ถูกต้องก็เป็นหน้าที่เราจะต้องบอกต้องสอนกันให้มันเกิด ค, ความถูกต้องโดยเฉพาะวิชากรมฐานเป็นศูนย์รวมรวมไม่ถูกต้องกับความถูกต้องที่เดียวกันหัดแบบเดียวกันตัวต่อตั ว, ตวอยู่ด้วยกันอย่างนี้นก็เป็นบรรยากาศที่ดี มีวิธีอย่างนี้ใครมีวิธีอย่างอื่นก็ช่วยคิดกันดูแต่ว่าพระพุทธเจ้าไดตัดไว้ดีแล้วเห็นที่ดีแล้วไม่มีไม่มีที่ตรงไหนที่ต้องเพิ่มเติมแจ้ไข ได้ต네 mm ัดไว้หมดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ได้ตัดไว้ในเรื่องของกายของใจนความไม่ถูกต้องความถูกต้องตัดไว้หมดบอกไว้หมดทุกเงีทุกุมจึงเป็นหมดกที่จะมาศึกษาไม่ต้องจนเรื่องนี้อย่าไปจนเลยนี่เราก็ จะอยู่ที่ไหนก็อย่าทิ้งงานอันนี้ให้เป็นเรื่องชีวิตชีวาจริงๆจะอยู่คนเดียวจิวกรบหมูมันก็ไม่เกี่ยวเรื่องที่จะเกิดขึ้นความถูกต้องไม่ถูกต้องขึ้นส่วนตัวของใครของมันอยู่เสม อ, อย่าสมควรเจอเวลา